ตอนเย็นกับตอนเช้าก็ได้พูดไปแล้วว่าความทุกข์ของคนเราทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าส่วนใหญ่70 80ซก็ว่าได้นะเป็นความทุกข์ทางใจคนส่วนใหญ่ก็ียกว่าทุกข์เพราะพัดภาคสูญเสียจากทรัพย์สินเจ็บป่วย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 ในร่างกายนี้ว่ามันต้องมันต้องไม่เจ็บไม่ป่วยมันต้องให้ความสุขเราเวลาเราเห็นร่างกายเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นนะมีผมงอกนะหรือว่ากาลังวัญชาลดลงทำไมถึงทุกข์ทำไมถึงรู้สึกเป็นลบกับความรู้สึกนั้นไม่ยอมนะไม่ยอมรับความจริง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 ของหายแล้วก็เป็นทุกข์นะลูกไม่สบายแล้วก็เป็นทุกข์ยิ่งคนรักเราตายจากไปยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะไม่ยอมเพราะยังยึดติดนะไม่ยอมสลัดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอีกสิ่งที่เราอีกสิ่งหนึ่งที่เราสลัดได้ยากก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเรากดเรากเกลียดใครแล้วก็ยิ่งนึกถึงคนนั้นหรือว่าความโกรธความเกลียด ก, ก็เช่นเดียวกัน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 บางคนนี่พยายามเก็บความโกรธ้ความพยาบาัดเอาไว้แม้เวลาจะผ่านไปกลัวลืมนี่นะกลัวลืมว่าจะหายโกรธบางทีสลักนะชื่อคนที่ตัวเองโกรธเอาไว้ตามข้อแขนหรือว่าทําทุกอย่างเพื่อจะให้ไม่ไม่ลืมความโกรธประเทศจีนเมื่อไหลาเมื่อสองสอ ง, ส, องสาพันปีก่อนมันมีพระราชาหนชื่อว่าโกเจีิง่งมีคราวหนึ่งก็บ้านเมืองของตัวเองถูกยึด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 เวลาเราเจ็บเวลาเราปวดเวลาเราเวลาเร า, เ, า, เ, ราเจ็บป่วยนะเราก็ต้องสิ่งที่เราควรทำอยู่แรกคือเราลักษาตัวให้ให้ให้หายความโกรธเนี่ยมันเหมือนกับมีดที่กรีดใจให้เป็นแผลเมื่อใจเราเป็นแผลอย่างแรกที่เราต้องทํำคือว่ารักษาใจของเราให้หายไม่ใช่ไปหาข้ออ้างว่าเขาต้องมาขออภยัยเราก่อนเอาคนที่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 เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราต้องรักษาตัวให้เราให้หายซะก่อนนะทำนองเดียวกันเวลาเรามีความโกรธนะให้รู้ว่าเนี่ยเรามีแผลใจลเราต้องรักษาแผลใจนะรักษาอย่างไงก็คือให้อภัยการให้อภัยเนี่ยมันช่วยทาใหนะ้ความความทุกข์ในจิตใจเราลดลงได้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้อภัยนะพยายามรักษาความโกรธเอาไว้รวมทั้งความเกลียดด้วยความรู้สึกผิดก็เหมือนกันนะรู้สึกผิดในเรื่องใดก็ตามผ่านไปสิบปียี่สปีสาสิบปีก็ยังไม่ยอมที่จะปล่อยวางความรู้สึกผิดนั้นนะบางคนนี่เผลอทำให้ลูกแท้งนะตอนที่ลูกแค่หกเจ็ดเดือนเพราะไม่เชื่อฟังหมอ หมอบอให้พักผ่อนก็ไม่ยอมพักไปทำงานหมอบอกให้เข้าโรงพยาบาลก็เข้าโรงพยาบาลตอนเช้าพอเย็นหมอกับบ้านแกกอดจะาโรงพยาบาลไปทำงานจนแท้งลูกเสียใจว่ามีส่วนทําให้ลูกตายพานไป30สปีก็ยังไม่ไม่รู้สึกคลายความทุกข์เลย30สิปีไนะก็ยังไม่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 เขาถือดุนไฟอยู่ถือดุนไฟอยู่ในมือนะป่า ก, ก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนแต่ก็ไม่ยอมปล่อยดุนไฟดุนฝืนนั้นลงพื้นนะป่า ก, ก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนเหลือเกินแต่ไม่ยอมปล่อยนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะที่ทุกๆๆใเนี่ยพอไปยึดมั่นไปไปไ ป, ไปแบกเอาไว้ไปแบกสิ่งที่มัน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 คนก็ทุกคนก็บอทุกทุกทุกลอ้อนเหลือเกินล้อนหลือเกินแต่ไม่ยอมละกิเลสนะก็ยังหวงแห่งกิเลสเอาไว้แต่ที่จริงนอกจากดุนไฟจะหมายถึงกิเลสแล้วมันก็ยังหมายถึงสิ่งที่เรายึดติดถือมั่นด้วยเรายึดติดถือมั่นด้วยอำนาจงกิเลสนะด้วยตันหาด้วยมานะ ด, ด้วยทิฐินะทั้งที่มันทุกนะแต่ก็ไม่ยอมนะความที่การที่เราไม่ยอมให้อภัยเพ ร, เพราะมันมีมานะทิฐิเข้ามา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 ถ้าไม่มีสติเมื่อไหนก็คิดยืดยาวและตลอดเวลาที่คิดก็ทุกข์นะแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีสติคนที่นอนไม่หลับนะจัน์ก็คิดคิดคิดคิดในด้านนึ่ก็รู้สึกเป็นทุกข์ที่นอนไม่หลับนะแต่ก็ยังคิดไปเรื่อยๆเพราะตอนที่คิดเนี่ยตอนที่ฟุ้งนี่มันลืมตัวลืมไปโดยซ้ําว่ากําลังทุกข์อยู่ คนที่โกรธเนี่ยเวลาโกรธมากๆนี่มันไม่รู้ได้ซ้ำ น, นะว่ากำลังโกรธนะก็ถึงปล่อยใจไปตามความโกรธแล้วก็ยิ่งประคบประงมรักษาความโกรธนั้นเอาไว้แต่พอมีสติรู้ตัวปุ๊บนี่มันวางได้เลยนะมันวางได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาหมั่นสร้างความรู้สึกตัวหมั่นสร้างสติให้มีขึ้นนะสติมันแปลว่าความระลึกได้นะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้สัมมาสติคือความระลึกชอบระลึกชอบในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงระลึกในเรื่องกายและใจอย่างที่เราสวดสาธยายไปคนเราระลึกได้ในหลายเรื่องแต่บางทีเราเราร ะ, ะลึก ที่ไม่ชอบก็มีเช่นเราลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธลรวลึกถึงการกระทาที่ไม่ดีของบางคนที่ทาให้เราโกรธนะเราลึกถึงบางสิ่บางอย่างที่ทําให้เราเกิดความโลภนะเกิดตัณหาเกิดกิเลสราคะขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามิจฉาสตินะเป็นการระ ล, ลึกที่ผิดนะระ ล, ลึกบางอย่างก็เป็นระ ล, ลึกที่กลางๆงนะ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 ไม่ค่อยได้ละึกชื่อไม่ค่อยออกนะรู้ว่าเป็นเป็นเพื่อนแต่จำชื่อไม่ได้หรือบางทีทำทำอะไรสักอย่างเนี่ยประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมละอย่างแม่ยายของเพื่อนคนนึนะ่มาจากต่างจังหวัดนะมาเยี่ยมหลานชายก็พาหลานชายไปกินอาหารนะเสร็จแล้วก็ถา่ายไตถามทุกสุก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 อาแล้วคำนี้ก็พูดกันตอนนี้น ะ, ะกลับพร